เรวก็คนพัทยาเก่าอยู่พัทยามาตั้งแต่ยังไม่มีไฟฟ้าสมัยที่มาอยู่พัทยาใหม่ๆอยู่แถวพัทยาเหนือตรงทางจะไปนาเกลือตรงทางโค้งจะไปนาเกลือสุดสุดทางพัทยาเหนือสมัยนั้นถนนก็ยังลุกลังอยู่ไฟฟ้าไม่มี ต้องปั่นไฟน้ำปลาปลาไม่มีต้องต้องขุดบ่อสมัยนั้นจะมีคนมาเที่ยวเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คนมารถบัสแล้วก็มีคนที่เขามีสตังมาซื้อที่หมู่บ้านพักตากอากาศส่วนใหญ่เขาก็จะมาช่วงโรงเรียนปิดเทอมช่วงเด็กปิดเทอมแม่มมก็มาเสาร์อาทิตย์ คนน้อยมากเงียบวันเสาร์ทิศมีรถต้องเที่ยว ม, มาแล้วสองสามคันนี้ก็รู้สึกว่าทำไมนั้นก็ใช้ อ, อาชีพก็คือเก็บข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็ขายขายอาหารแล้วก็มีเตียงผ้าใบให้เช่ามา น้ำสะาดยังมีปลาโลมาตอนเช้า้าทีก็มีปลาโลมามาไว้น้ำใสพอคนรู้จักมากขึ้นคนก็มาเที่ยวกันมากขึ้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไป แล้วทั้งนี้มาพักที่วัดด้วยถ้าเรานำนำโดยผู้อำนวยการของศูนย์พุกเกษตรวัดยา น, นะคะ่ะได้มาปฏิบัติธรรมสามวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะค ะ, ะแล้วก็มาฟังธรรมเพื่อเป็นสิริมงคละคะอตอนนี้พักอยู่ที่วัดด้วยแล้วบทีมันก็ติดกันนะพักที่ศูนย์ก็ได้นะับ <laughs> คนกับที่วัดกติดกันเลยที่พอคนใหม่เลยอ๋ออ๋อไปรับคะอ๋อพอไม่ได้มามาค่ะเยอะเยอสักครู่มาค่ะพอดีวันนี้เวียดนามมาเยี่ยมที่ศูนย์อ๋อแต่ต้องออกไ ป, ปอ๋อก็มาปฏิบัติธรรมด้วยป่ะมาค่ะอ๋อก็เหยที่ศูนย์อ่าเป้าหมายของศูนย์ตอนนี้มี มีเป้าหมายอะไรบ้างก็คงตามชื่อค่ะคือชื่อเป็นศูนย์ฝึกพัฒนาเกษตรกรรมก็คงก็คงมุ่งทาผักเกษตรธรรมชาติแลก็มีโครงการอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมอะไรที่ทาอะไรตอนี้องมีพาอเหตุฝึกอบรมการพาเหตุให้กับประชาชน เห็ดอะไรเห็นเล่นจริงเอาพวกเอาผักสารปอดเพชรได้ปัสสอนปลอดสารเพิษยังมีอยู่แล้วเรามีหน้าที่สอนชาวบ้านนี่แหละเคยปออบลมเขาจะมาอบรมกันเป็นเป็นนุ่นต้องมาพักด้วยแล้วป่ะหไม่ได้มาพัก มาเช้าเรียนกับนี้นะ่าจะมีอบรมสามวันนะคะที่บางคนก็มอคพักนะคะแล้วก็จะมีบางคนที่พักนะคะถ้าคนไกลก็ต้องพักคนใกล้ก็เดินทางกลับบ้านได้ค่ะแล้วมีที่พักรองรับนะมีค่ะแล้วพวกที่มาเนี่ยเขาเป็นเอกชนหรือว่าเป็นเป็นหน่วยงานเป็นชาวชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการเกษตรอ่า ชาวบ้านที่อยู่รอบๆบริบรบเวณว่านี่มีไหเรามีกลุ่มเกษตรกรกรอบวัดยาของเราเพราะเดิม ท, ทีได้ยินว่าเป้าหมายของไายหลวงต้องการที่จะให้ชาวบ้านได้รู้จากวิธีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพราะเมื่ อ, อก่อนนี่มีแต่ปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวหลายได้มันก็ไม่ดีก็เลยอยากจะให้ชาวบ้านปลูก เป็นตอนเริ่มแรกเ่มแรกเห็นปลูกพวกดอกดอกไม้เนี่ยใช่ดอกไม้ปลอกมะแ ล, ะลอแงอย่างนี้เลค่ะตอมาก็เป็นพวกผักต่างๆใชตามฤ ด, ดูกาล ม, ม, มีมีเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะที่เราคิดขึ้นเองแล้วก็ได้รับพระราชทานเชื่อคะอ่ะอ๋อเมล็ดพันธุ์ผักเหรอใช่เป็นตะกเกียบเขียวค่ะเ ก, เกียบเ <ๆ S 1> ข, ขียวตะเกียบกระเทียมมันต่างกับจากกรียบแดงไง กระเจี๊ยบเขียวเป็นฝายที่เราทานทานกับมะพร้าวทิพย์ค่ะน้ำเพล็ญี่ปุ่นเขาบอกมีรสชาติอร่อยมากเราพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นระยะเวลาสิบหกปีแล้วก็ส่งยอดเลยนี้ก็ส่งยอดเลยญี่ปุ่นยอดเผยแพร่ให้กับประชาชนนะคะแจกเมล็ดพันธุ์ฟรีไปพ่อปูกนะคะในหลวงพระราชพันชื่อมื่อปีทแเป็นกระเจีเขียวทลาทิพค่ะ แล้วปลูกแล้วมันจะออกเป็นดอกนะดอกข้เจบเร้เป็นฝักค่ะเป็นฝักเป็นดอกแล้วก็เป็นฝักมันเหมือนพริกหยวกอะค่ะพริกหยวกเลยแต่ต้นพันธุ์ของเราจะแข็งแรงแล้วก็กิ่งก้านเยอะออกดอกออกผลแล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกกยนกันเลยแต่ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่ไม่เผ็ดคจะปรุงอาหารได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะทางดิบหรือว่าต้ม แทงหรือผัดกระเปากระเจี๊ยบอ ะ, ะบอือย่างยที่ศูนย์มีเจ้าหน้าที่กี่คนนะยี่สิบ <c oughs> ก้ า, กาคนตั้งแต่มาอยู่วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทางศูนย <c oughs> ์วันนี้ไม่เคยมีโอกาสได้เจอกันเลย <c oughs> เจอกันแบบมาใส่บาทรแล้วก็ไม่มีโอกาสได้คุย วันนี้มีโอกาสก็เลยขอสัมภาษณ์หน่อยเพื่อทางบ้านเขาก็จะได้ทราบกิจกรรมของทางศูนย์ด้วยเป็นการเผยแพร่ไปในตัวอตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดทางเ c e บ o o กกับ YouTube อยู่คนต่างประเทศคนต่างจังหวัด ก, ก็ติดตามกันอันนี้เข้ามากันกี่คนละสอง ย, ยี่สิ2เจ็ดค่ะสองวยิบเจ็ด ด, ดูสด ที่ดูที่ดูที่เป็นคลิปนี่ก็ 8-9 ด0 0พันคนแต่ในแต่ละวันนะที่เขามีสถิติจดไว้ 6,000 บ้าง 7,000 บ้าง 8,000 บ้างแต่ผู้ที่เข้าถึงนี่ก็เป็นแสนนะวันละสองส0 0แสนเข้าถึงนี่หมายถึงว่าเข้าไปนในเครื่องเขาอยู่สองสวินาทีแต่ไม่ได้ดู พวกที่ดูนี่ประมาณแปดเก้าพันต่อวันที่จริงอยากจะเรียนอีกอย่างก็คือสูนฝึกเรามีความความภูมิใจค่ะเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าอยู่หัวค่ะเคยเสด็จมาที่สูนฝึกได้สามครั้งค่ะอันนี้ก็จะมีนิทัศกาลตัวนี้ค่ะอยู่ที่สูนฝึกบ้ า, า, านาค่ะ มีความสนวิทยในเรื่องเกษตรกรรมอคองการพระราชดำรีนี้ก็เป็นโครงการที่เกิดจากสมเด็จพระสังฆ ร, ราชมาสร้างวัดอย่างในหลวงท่านทราบท่านก็มาเสด็จมาประพาสมาติดตามชมก็เลยเห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะต่อการกระทา กิจกรรมต่างๆเช่นป่าไม้ปลูกป่าทำชนประทานอ่างเก็บน้ำแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาที่ดินทำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรประสุัตว์ด้วยแล้วก็โรงพยาบาลอีกอยากจะให้มีโรงพยาบาลชุมชนไว้ให้กับชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกล เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้มีโรงพยาบาลใกล้แล้วก็พระเนที่มาอยู่วัดก็จะได้สะดวกเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปที่โรงพยาบาลเป็นคล้ายๆกับโครงการคบรบวงจรนะโครงการของในหลวงนี้ท่านก็เล็งไปที่เรื่องปัจจัยสี่เป็นหลักเรื่องอาหารเรื่งการธรรมากินรักษาโาครคภัยไข้เจ็บ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 ที่วัดยานเนี่ยเป็นเหมือนไข่ขาววัดนี้เป็นเหมือนไข่แดงแล้วก็มีที่ของโครงการที่ครอบไว้ก็ให้ปลูกป้นไม้ปลูกป่าทําเกษตรกรรมทําอะไรต่างๆยังไม่มีไม่มีชุมชนก็มาติดอยู่กับวัดวัดก็เลยเป็นที่สงบเป็นที่เหมาะต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมครับ ก็เหมาะต่อการเผยแผ่พระศ า, าสนาคนก็มาเที่ยวดูวัดกันก็เป็นโครงการของผู้หลักผู้ใหญ่สองท่านคือสมเด็จพระสังฆราชและของพระเจ้าอยู่หัวพวกเราก็ได้รับประโยชน์มีงานทำกัน <c oughs> คือได้รับทราบจากท่านดรกล้าสมส ก, กุลนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการดั้งเดิมของศูนย์ฝึกอะคะอ่ะท่านเล่าให้ฟังว่าเหตุผลหนึ่งที่จะสร้างศูนย์ฝึกขึ้นมาก็เพื่อที่จ ะ, ะช่วยไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยขายที่ดินว่าทางพัทยาจะจะเดี๋ยวชาวบ้านก็มีคนมากว้านซื้อที่ดิ น, ก, นก็สนามกกสนามก๊อฟน่เตะกระวั้นเลยนะเห็นไต้องวิหารเสียนนี ที่เกือบ2 0 0พไรนะ่เขาก็มากว้าซื้อทำสนามกอบไปละเพราะชาวบ้านเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะทำมาหากินเขาก็ปลูกแต่มันสำปะหลังอย่างเดียวหรือสาปกระดรสสองอย่างเป็นพืชแถวี้ที่เขาปลูกกันนะหลายด้าก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่อพอมีคนมาขายซื้อมามาขอซื้อที่ให้สักสองสาล้านเขาก็ขายกันละ ขายกันก็นไปซื้อกอัพไปซื้ออะไรเดียวก็หมดนะแต่ถ้าก็มีมีวิชาความรู้ที่สามารถที่จะมาใช้ในการเพาะปลูกทำพืชที่มีราคาได้เขาก็ไม่ต้องขายที่ดินนะแล้วที่จัดงานทุกปีนี่ที่เป็น ความหมาต้องการให้คนเข้ามามาซื้อพืชที่เราทําหรือว่าให้เข้ามาได้ชมทั้งสองอย่างเกษตรกรและให้มาซื้ อ, อมันเอ่อเหมือนกับเราพัฒนาอะไรได้ใ น, นช่วงนั้นเป็นเกี่ยวกับวิชาการก็จะเผยแพร่ให้กับประชาชนได้นํานไปปฏิบัตินะคะแล้วเราก็มีพวกพืชลายที่ขายด้วยใช่ไหม มีขายแล้วก็ผัดกวาดสารพิษจำหน่ายแล้วก็มีเกษตรกรเชื้อขายเราที่อบรมกับเราไปแล้วขยายผลแล้วก็พวกเราได้ออกไปรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติให้แล้วได้กลับมาจําหน่ายในงานด้วยค่ะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความมั่นใจในการทําเกษตร้รื่องนี้ แ ม, แม้แต่ตัวข้าราชการที่อยู่ในศูนย์สุดเนี่ยค่ะก็ต้องมีการทำเพาะปแห่งต่างๆค่ะเื่อต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่มาเนยค่ะแะด้มาดูวิธีการทำแล้วที่สวนนี่ก็เพาะปลูกผักกินกันเองใช่ไหมมันต้องไปซื้อผักใช่ะอย่างได้กันแล้วเด็กโรงเรียนผู้รู้เข้ามาศึกษาหรือเปล่า แล้วเราขยายผลไปก็ทำเองได้แล้วพา <อ S 1> <พอ S 2> โรงเรียนเขาก็สอนให้เด็กปลูกผักก<ช>ั<ช>นโรงเรียนผู้รั้ก็เป็นโรงเรียนสำเร็จภ า, าษาัะลราสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่เก็บสตางค์เด็กม .1 ถึงม .3 เป็นโรงเรียนกินนอนอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีหมด ให้ายสัพดาบทแล้วคปล่คะคงอย่างนั้นไหมใช่อหมคือต้องการเอาเด็กมาฝึกให้ทางจริยธรรมเป็นหลักคือเห็นว่าเด็กสมัยนี้ถ้าไปเรียนโรงเรียนรัฐนี่จะไม่ค่อยได้มีเรื่องอจริยธรรมเท่าไหร่เรื่องพุทธศาสนาเรื่องอะไรตรงนี้ก็เลยอยากจะให้เด็กพอดีช่วงมหนึ่งถึงมสามนี้กําลัง กำลังเติบโตให้เขาได้มีจริยธรรมศีลธรรมติดตัวไปด้วยก็ทางวัดก็จะจัดให้เด็กมาเข้าวัดวันพระกันมาฟังเทศฟังธรรมมาทำกิจกรรมที่วัดแล้วก็มีพระไปอบรมสั่งสอนที่โรงเรียนสั่งสอนธรรมะให้กับเด็กเด็กพวกนี้เขาจะมีสัมาคารวะเจอพระเจอใครก็จะไหว้ ถ้าเป็นเด็กที่เรียนที่อื่นนี่ก็ mm hmm. ไม่วหว้พระไม่เป็นตางชจ้าไม่บิณฑบาบนี้ mm hmm. เขาเดินเหมือนกันไม่รู้จักกันนะ mm hmm. คือเรากํากลังสูญเสียวัฒนธรรมที่ดี mm hmm. เพื่อแรกกับวัตถุนิยมสมัยนี้เรามุ่งเล่นไปที่การสร้างวัตถุกันเพราะเราคิดว่าวัตถุเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเรา ว่าถ้ามีวัตถุมากๆแล้วเราจะมีความสุขความเจริญกันแต่ความจริงความสุขความเจริญของเราไม่ได้อยู่ที่การมีวัตถุแต่อยู่ที่การมีคุณธรรมมีจ ร, ริยธรรมมีศีลธรรมซึ่งการพัฒนาทางวัตถุมันจะทําลายพวงนี้ไปเพราะมันมันขัดขวางความเจริญทางวัตถุทางวัตถุนี้มันต้องการทําอะไรสะดวกรวดเร็ว โกงได้ก็โกงเบียดเบียนกันได้ก็เบียดเบียนกันเพราะทุกคนมุ่งเป้าไปอยู่ที่วัตถุ อ, อยู่ที่รายได้อยู่ที่เงินทองกันความเคารพกันความ เ, าเกรง อ, อกเกรงใจกันความเมตตาต่อกันมันก็เลยไม่มีเพราะทุกคนจะเอาเอาความเห็นแก่ตัวเป็นหลัก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 โทษของการที่เราไปเจริญทางด้านวัตถุกันใครตรงนั้นเปิดเสียงช่วยปิดหน่อยไนดะ้ไหมมันมันย้อนกลับเข้ามานน้นี่เอาหูฟังสายหูฟังมันกล้องกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ลำโพงแล้วใครผมเปิดเครื่องไว้มั้ยเปิดเฟซบุ๊กอยู่มั้งมันก็เลยอีอย่างหนึ่งนะคะท่านทำไม ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องการเกิดชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าขนาดนี้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมันพิสูจน์ไม่ได้ไงเพราะว่าผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายใจนี่แหละคือผู้กระทําบุญและทำบาปผ่านทางร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเหมือนรถยนตนะ์ วนคนขับรถยนต์นี้เป็นผู้ขับรถไปชนคนตาย mm hmm. เวลาเขาขับรถยนต์ไปชนคนตาย mm hmm. เขาเอารถไปขังคุปตารางหรือเปล่า mm hmm. เขาจับคนขับไปใช่ไหมแต่ทีนี้คนขับร่างกายนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตาตัวตนไปจับไม่ได้ก็เลยจับไอ้ร่างกายนี้ไปขังคุปขังตารางแทน mm hmm. ก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็ น, เ ป, นเป็นคนกระทำ ผู้กระทาแต่ความจริงร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทำเป็นผู้รับคำสั่งเหมือนกับรถยนต์ผู้ที่ขับรถยนต์หรือผู้ที่ขับร่างกายนี่คือใจผู้ที่รู้ที่คิดเนี่ยที่สั่งให้ร่างกายมานี่ไม่ใช่ร่างกายมาเองนะร่างกายมันมาเองไม่ได้ถ้าไม่มีคำสั่งจากใจใวันนี้ใจสั่งว่าวันนี้ขึ้นมาบนเขากันใช่ต้องคิดก่อนเนี้ยนะคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายขึ้นมา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 เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดถ้าเราอยากจะเห็นหน้าตาของเราเราต้องนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ารานั่งสมาธิจิตสงบแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายให้เราเห็นได้ชัดเลยร่างกายจะกลายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแข็งทื่อส่วนผู้รู้ผู้คิดนี้จะเจ๋งชัดขึ้นมา เราถึงจะรู้ว่าออผู้นี้แหละผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปรับตั้งแต่ทำแล้วแหละเวลาเราทำบาปนี่ใจเราสุดรู้ทุกข์เนเราใจสบายเมื่เวลาไปทาบาปไปโกโหกไกรไปช่อโกงนี่มันทุกข์ขึ้นมาแล้วแนะ่ความทุกข์ใจนี่แหละคือคือนรกก็ใชนะ่นรกสวรรค์นี่มันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาพจิตของเรา สภาพจิตใจของเราจิตใจเราทุกข์เรากังวลเราวิตกรุ่มร้อนเนี่ยแสดงว่าจิตใจของเรากำลังเป็นนรกอยู่เพราะเกิดจากการกระทำบาปของเราลองไปฆ่าใครดูสิแล้วดูใจจะสงบนะ mm hmm. ไหเวลาโกรธใครแล้วก็ไปฆ่าเขาองนี้ฆ่าเสร็จแล้วใจรู้สึกอย่างไรบ้าง mm hmm. เย็นสบายเหมือนตอนนี้ไหม mm hmm. ไม่เย็นแล้วละ่ะ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 ไม่ได้เป็นสถานที่ว่าพอตายแล้วจะต้องเดินทางไปที่ตรงนั้นตรงนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนรกสวรรค์นี้อยู่ในใจของเราแล้วนรกในอกสวรรค์ในใจเวลาเราทําความดีทําบุญเนี่ยเรามีความสุขไหมนั่นแหละเป็นสวรรค์ขึ้นมาแล้วความสุขใจเรียกว่าสวรรค์ความร้อนใจเรียกว่านรกอันนี้มัน ถ้าไม่สังเกตไม่ศึกษาจะจะไม่เข้าใจสมัยนี้คนก็เลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะว่าเขาคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็จบใช่ไหมพอร่างกายตายแล้วร่างกายมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเอาไปเผามันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเขาไม่เห็นนี่เขาคิด ทีเราไปคิดว่าตัวเราเองเป็นร่างกายเมื่อร่างกายตายไปแล้ ว, ลวใครจะไปรับผลบุญผลบาปต่อก็ไม่มีใครไปรับเราสิแล้วเรื่องอะไรไปทําบุญให้เสียเงินเปล่าเปล่าทำไทุกวันนี้หาเงินเพื่อมาเพื่อมาซื้อของให้ให้เรามีความสุขกันใช่ไหมซื้อของที่เราอยากได้กันใช่ไหมเพราะเวลาซื้อเรามีความสุข嘛แล้วเรื่องอะไรเงินไปทําบุญให้เสียเสียเงินเปล่าเปล่าทำไมใช่ไหมทำเงิน เอาหาเงินมาท้ตายแล้วก็ไปทำบุญเนียหามาทำอะไรเขาหามาเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันเนะี้ยไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปเฮฮากันไปสนุกสนานกันเขาก็เลยไม่กลัวบาปกันเพรา้เขาอยากจะได้เงินง่ายๆเร็วๆกันวิธีหาเงินง่ายๆเร็วก็ต้องทาผิดกฎหมายทาผิดศีลธทําต้องโกหกหลอกลวงช่อโกง ค่สาสัตว์ตัดชีวิตมันได้ง่ายไห ม, มาทำงานเป็นข้าราชการเดือนได้กี่ตังค์กันใชไหมซื้อไปขายยาเสพติดไม่ดีกว่าอย่างวันนี้ก็ขายหวยขายแปบเดียวเดี๋ยวก็ได้เงี้ยเห็นค่ะถ้าเติดสมมติคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือว่ารุ่มหลง เดติดอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะแนะนำให้รเราถอยไปอยู่ใกล้ไฟทำไมอ๋อแล อ, อย่าไปเล่นกับไฟเขาร้อนก็ไยเขาร้อนไปเราต้องถอยอย่างเดียวอย่าไปอยู่ใกล้ยาได้ก็ยา ก, กันเลยหาคนเย็นเย็นดีกว่าอยู่กับคนเย็นเย็นดีกว่าไปอยู่กับร้อนทำไมเราจะไม่แนะนำอะไรเขาหรือค่ถ้าเขาขอร้องก็จะแนะนำให้ถ้าเขาไม่ขอร้องไปแนะนำก็ได้เดยวเขาก็จะได้ ได้ได้สอบกลับเอาเนยไปยุ่งกับเขาทำไมไปยุ่งกับเขาทาไมเขาจะดาะ่าเราเธอจะมามาเสือกอย่างี้ใช่ไหมถ้าเขาขอร้องก็ใช่เนี่ยอย่างญาติโยมถ้าไม่มาที่นี่เราไม่เราไม่ไปที่ศูนย์่พูดหรอกเพราะไปก็ไม่อยากจะฟังอแต่ถ้ามาที่นี่แสดงว่าอยากจะฟังแล้วพ็อยากจะฟังก็คุยกันได้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านห้ามไม่ให้พระไปสั่งสอนใครถ้าเขาไม่ขอก่อนเขาต้องอาราธนาให้แสดงธรรมก่อนถึงจะแสดงได้ไม่ใช่อยู่ดีๆไปเจอใครมาๆอยากกินเหล้านะอย่าไปเที่ยวผู้หญิงเนะเดี๋ยวมันก็ต่อยเราได้ไหมเองนี้มันเป็นเรื่องของจริตนิสัยของคนที่เขาทำแล้วก็มีความสุขแล้วเราไป ไปบไอกให้เขาอย่าทําเนี่ยเขาเขาก็โกรธเราสิเขาก็เกลียดเราพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปคบคนคนคนไม่ดีเนี่ยคนอยู่กับคนไม่ดีรีบรีบถอยออกมาสะมงคลแห่งชีวิตเคยได้ยินไหม อ, อาเสยวานาจะบาลานังแม้คบคนผานให้คบบัณฑิตคนผานก็คือคนโง่คนไม่ดีคนโลภโมโทโสันคนใจร้อนเ น, น, นี่ยเรียกคนโง่คนผาน คนดีก็คือคนใจเย็นคนคนมีศีลมีธรรมเป็นคนดีถ้าอยู่กับคนไม่ดีก็อย่ากันดีกว่าไ ป, ปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกตัวเขาเองก็ยังเปลี่ยนตัวเขาไม่ได้แล้วเราไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงนอกจากว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแล้ ว, ลวเขาไม่รู้วิธีอย่างเงี้ยถ้าเรารู้วิธีเราก็บอกเขาได้เหมือนคนที่ติดยาเสพติด ถ้าก็ไม่อยากจะเลิกเราไปบอกเขาเลิกเขาจะเลิกก็เปล่าเขาต้องอยากเลิกก่อนใช่ไหมก่อนต้องเห็นว่าการติดยาเสพติดนี่มันเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตเขาเราอยากจะเลิกช่วยเขาหน่อยเราก็พาเขาไปที่ศูนย์บำบัดได้แล้วการที่เขาติดยาเสพติดเนี่ยเกิดจากกรรมเขาหรเปาคะก็เกิดจากความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่ที่การเสพยาเสพติด พวกเราก็ติดเหมือนกันแต่เพ้นไม่ไม่รุนแรงเหมือนเขาใช่ไหยลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พวกเราติดกันนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดนดูละครนี่ก็เป็นยาเสพติดอย่างนึงถ้าวันไหนไม่ดูเรารู้สึกยังไงเครียดไหยการไปเที่ยวนี่ก็เป็นเหมือนกับติดยาเสพติดการติดลูกเสียงกลิ่นรสนี่ก็เป็นเหมือนติดยาเสพติดเพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนยาเสพติดยาเสพติดมันติดแล้วมันติดมันมันเลวกย้า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 แต่ที่ทุกกันน้องหมน้อ ง, อ ง, องให้เพราะแฟนนี่มีเยอะไหม <Yeah. S 1> นั่นแหละ <laughs> แล้วทำไมไปติดกันทำไม <laughs> เพราะเลิกไม่ได้นะมัน <laughs> อันนี้มันติดมาตั้งแต่นิสัยเปนติดมาเป็นนิสัยแล้วติดแฟนติดอะไรพวกนี้ยเขาเรียกว่ากามติดกามกัน <laughs> จึงพายเรากลับมาเกิดกันพอร่างกายนี้ตายไปแล้วยังความติดในกามยังมีอยู่อยากจะมีแฟนต่อก็กลับมาเกิดใหม่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 ความหลงมันพาพวกเราเนี่ยกำลังไปหาความทุกข์กันโดยที่หลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขกันเคนที่ไปเสพยาเสพติดก็ถูกความหลงหลอกว่าเสพแล้วมีความสุขเสพแล้วมันใช่ไหมมันมันจริงแต่มันมันเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอมันหมดแล้วที่นี่มันก็จะลงแดงเวลาไม่ได้เสพนี่โอ้ยมันจะตายให้ได้ก็ต้องหามาเสพเรื่ยเรื่อย แล้วยิ่งเสพก็ต้องเสพมากขึ้นมากขึ้นไปเพราะเสพน้อยๆมันลทธิ์ยามันไม่ถึงใจนะมันต้องมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอยิ่งมากยิ่งมากมันก็เลยไปทำลายหัวใจแล้วก็หัวใจวายตายนี่แะคือความหลงความหลงที่เราไม่รู้กันว่าความสุขของพวกเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกัน มันติดมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วมาเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็คิดว่าความสุขอยู่ที่วัตถุใช่อยู่ที่ข้าวของอยู่ที่ลูกเสียงกลิ่นรสเี่ยไปเสกกันไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปดื่มไปกินไปอะไรกันอันนี้เป็นความหลงหลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขเนต่เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอใช่ไไปเที่ยววันนี้ก็สนุกดีพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดเลยเนี่ย เดี๋ยพรุ่งนี้ก็อยากจะออกใหมนะ่ละอยู่บ้านเฉยๆก็หมุดหงิด ต, ตาคาใจเศร้าซร้อยงอยเหงาว่าเว<ะ>ก็ต้องออกไปเรื่อยๆออกไปเที่ยวออกไปกินไปดื่มไปหาความสุข<ะ>ทางตาหูจมูกนิ้งกายอยู่เรื่อยๆจนกล่าวจะไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยเจอพระพุทธเจ้า<ะ>ที่ได้ทรงคนพบว่า<ะ>ความสุขของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ พอมันพาให้เราปต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันเนพวกเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะความอยากเ็ษรูปเสียงกลินรสกันก น, นี่แหะแต่พอมาเกิดก็ต้องมานำบากกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไห ม, มกว่าจะโตมาพึ่งตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ต้องไปโรงเรียนต้งเรียนหนังสือต้องอะไรยี่สิบปียี่สิบกว่าปีถึงจะพึ่งตัวเองได้ พาพึ่งตัวเองได้ก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วมันเป็นทุกข์การมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่มาเกิดก็เพราะความอยากเสพกลางกันนี่แหละอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกันถึงต้องมีตาหูจมกูกนิมกายถึงต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอีลยเหมือนมือถือตอนนี้ติดมือถือหรือเปล่า ถ้าเกิดมันเครื่องเก่าพังไปต้องไปซื้อใหม่ไหมเครื่องเก่ายังไม่ทานพังก็ซื้อใหม่น่าจใช่น่าะถ้าเราติดแล้วมันพอมันไม่มีแล้วก็ต้องหามาทดแทนใหม่ตอนนี้เราติดร่างกายกันใช่ไหมร่างกายนี้เป็นเหมือนมือถือเครื่องสำคัญที่สุดเนี่ยเพราะเราต้องมีร่างกายเราถึงจะสามารถมีอย่างอื่นได้ ความอยากของเราอยากมีสิิ์ต่างๆผ่านทางร่างกายจึงพาให้เราต้องมามีร่างกายกันแล้วก็น้องมาเหนื่อยยากกับการเลี้ยงดูร่างกายดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะไดเอาร่างกายนี้มาหาความสุขให้กับเราแล้วก็เป็นความสุขปลอมหาไม่ได้เดียวเดียวก็หมดแล้วหรือต้องหาใหมแ่แล้วบางทีก็เสียจกเสียใจเวลาได้มาแล้วหายไป เวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอแฟนเลิกกับเราก็เสียใจเนี่ย <Yeah. S 2> พอเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหน ม, มีความสุขที่แท้จริงมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบเนี่ยความสุขที่แท้จริงของของเราก็อยู่ในใจเรานี่แหละอยู่ที่ความสงบเนี่ย yeah. ที่พวกเรามาถือศีลมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรม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 พอใจสงบแล้วมีความสุขยิ่งกว่าถูกกอลเดอรี่รางวัลที่ห น, นึ่งเองอย่างเย็นเนี่ยเดี๋ยวถูกหวยสู้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิจิตสงบนี่มีความสุขยิ่งกว่าถูกหวยเองพอถูกหวยมันไม่สงบนะใจมันรนะ้อนจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนดีวุ่นแล้วสิคิดใหญ่นะเด็กก็ไปซื้อเหล้ามากินกันเมากันแล้วก็ไปตีกันอีกความสุข แ่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้กันแต่ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่าความสุขที่แท้จริงของพวกเราอยู่ที่ความสงบ mm hmm. ความสงบนี้เราต้องสร้างมันขึ้นมาต้องหยุดตัวที่มาทำให้ใจไม่สงบตัวที่ทำให้ใจเราไม่สงบ ก, ก็คือความคิดความอยากต่างๆนี่แหล mm hmm. พะพอคิดอยากแล้วมันอยู่เฉยๆได้ไหม พรอยากจะไปหาแฟนนี่อยู่ไม่ได้แล้วเราอยากจะไปดูละครนี่อยู่ไม่ได้แล้วมันต้องไปแล้วแต่ถ้าเราหยุดความคิดความอยากได้มันก็อยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ตอนนี้เราไม่เฉยกันใจเราไม่ยอมเฉยเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันเพื่อทำให้ใจเฉยมาหยุดความคิดกัน วิธีอยู่ความคิดก็ให้ใช้ความคิดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคิดอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธเนี<ม>่ยถ้าเราท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เราก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้<ม>พยายามพุโทโธไปเรื่อ ย, อยแล้วมันก็จะไม่คิดถึงขนมไม่คิดถึงกาแฟาไม่คิดถึงแฟนไม่คิดถึงละครมาอยู่จําศีลมันก็จะไม่รู้สึกอึดอัด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 นี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือใจของเราไม่สงบเลยไม่มีความสุขในตัวเองก็เลยถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าความสุขของเราอยู่ข้างนอกอยู่ที่อาหารเย็นอยู่ที่ละครอยู่ที่แฟนถ้าไม่ได้ถือสินแตกวันนี้ก็เย็นเย็นก็กินข้าวเย็นได้แล้วก็ดูละครเสร็จแล้วก็ไปนอนกับแฟนต่อได้ <c oughs> แต่นี่ไม่ได้แล้วถ้ามาถือศินแ ให้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนแต่ใหม่ๆนี่มันไม่สงบหรอกเพราะว่าเราไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดได้นั่งไปได้เดี๋ยวเดียวก็ทนไม่ไหวแนละวต้องขยับตัวอต้องลุกและวพอลุกก็ไปคิดถึงอาหารเย็นนะคิดถึงแฟนนะคิดถึงละครนะแล้วการที่เราความคิดเราฟุงฟ้งซ่านอย่างนี้ยคะ่ะหรือว่าเราคิด ไม่สามารถจะตั้งสติได้พอเราไม่หยุดมันไงเราไม่พุทธโทรมันไงเหมือนรถยนต์อนะ่ะถ้าเราอยากให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเบรกมันก็ไม่หยุดเลยตอนนี้พวกเราไม่มีเบรกใจกันเวลาคิดแล้วคิดไปเลยเหมือนรถวิ่งลงเขา่ะหยุดไปไม่ได้จะหยุดก็ต่อเมื่อมันเหนื่อยนะแจนกระทั่งมันบางทีเป็นบ้านความคิดนี้มันทําให้คนเป็นบ้าได้นะ แล้วแล้วการที่หยุดช้าหรือเบรกไม่ได้อย่างนี้ยเกี่ยวกับกรรมมะป่คะเกี่ยวกับเพาะ้มีกรรมนะเกี่ยวกับการไม่มีสติไง <c oughs> การไม่มีสติก็เป็นกรรมอย่างหนึง่ง <c oughs> เพราะชอบอยู่แบบไม่มีสติกันชอบปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ <c oughs> ไม่เคยยับยั้งหยุดความคิดของตัวเองเพราะไม่มีใครสอนเนี <c oughs> ย่ยต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะมาสอนบอกเราว่า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 ลูปเสียงกิน่นรสเนี่ยมันเป็นเหมือนยาเสพติดเราต้องหยุดมันถ้าหยุดมันได้แล้วใจเราก็จะสงบมีความสุขเราไม่มีเบรกกันนี่เบื้องต้นต น, นี้ก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ผลเราต้องสร้างเบรกขึ้นมาก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนโดยการท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลืมตาพอลืมตาปับ๊บก็พุทโธเลย เหมือนออกจากเส้นเวลาเขาให้วิ่งเียพอเขายิงปืนปั๊บพอออกวิ่งปั๊บก็พอเตยขึ้นมาก็พุทธโทเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็พุโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำต้องใช้ความคิดไนมะไม่ต้องในชะ่ไก็พุทธโทไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโทไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทธโทไปจะมาใช้ความคิดก็ต่เมื่อมาถึงที่ทำงาน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 เป้าหมายก็อยู่ที่ตัวนี้แหละตัวสติรู้ไห ม, มรักษาศีลก็เป็ น, เ ป, นเป็นการเพื่อที่จะล้อมคอกไม่ให้จิตมันออกไปก็ะจะได้ดึงมันเข้าให้มันสงบได้มันอยู่วัดมันจะได้ไม่ต้องทํางานจะได้ไม่ต้องคิดเนี่ยจะได้หยุดความคิดกันได้แต่นี้ก็ยังคิดกันอยู่ะชอบเกาะกลุ่มคุยกันอยู่มาออยู่คนเดียวก็เหงาอีกอยู่คนเดียวก็ก็ควคุยก็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 พอเข้าไปในห้องป่าอากาศนะมันเย็นนะ <Okay. S 1> เวลานั่งสมาธิพอใจสงบนี่มันเย็นเหมือนกับอยู่ในห้องป่าอากาศสบายพอมันไม่สงบนี่มันเหมือนกับอยู่ข้างนอกเหมือนกับปิดเครื่องป่าอากาศพอปิดเครื่องปั๊บมันใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีมันก็เลยไปหาวิธีคลายความร้อนด้วยการดูละครด้วยการไปกินอาหาร ด้วยการไปเที่ยวไปด้วยการไปทำอะไรต่างๆทําท่าไหร่มันก็ไม่หายร้อนหายเดี๋ยววแล้วเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาใหม่แต่อยากจะให้มันหายร้อนอย่างถาวรก็ต้องนั่งสมาธิหยุดความคิดให้ได้แล้วต่อไปพอเราทำได้แล้วเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆไปร้อนเราก็หยุดมันหยุดความคิดพุทโธพุทโธไปใจก็เย็นสบายมีความสุข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 วั น, นนี้มีคนอยู่เกือบยี่ิบกว่าคนเชื่อไหยี่สิบคนเนี่ยมีพระอยู่ตามกุฏิอยู่ตามกระต๊ออยู่ในป่าเนี่ยไฟฟ้าไม่มีน้ำปลาป า, ปาไม่มีทำไมเขาอยู่กันได้ไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรต่างๆเพราะเขามีความสงบเขามีสติเขาอยู่ความคิดได้พวกเรามาอยู่แบบนี้ได้ไนหะ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 พื่งอะไรมันต้องเดือดร้อนก็เของต่างๆที่เราเพึ่งมันไม่ถาวรเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวมันต้องมีวันหมดวันใดวันหนึ่งหรือไม่งั้นก็ร่างกายเราก็ต้องหมดพอร่างกายหมดเราก็ไม่ส า, ามากททำอะไรได้แนละก็ต้องรอมาเกิดใหม่ช่วงที่รอนี่อาจจะต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าทำบาปบาปมากกว่าบุญบาปก็จะพาให้ไปใช้บาปในอบายก่อน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 ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรมีหนังสือซีดีแจกด้วยนะถ้าใครต้องการก็หยิบเอาเองเอาไปอ่านนะอยาอาไปแจก เ, เป็นลูกศิษย์งพ่อหรือยังเออดีได้ได้หลักสูนรหรือยังจบหลักสูนรหรือยัง สอนสอนคู่สมาธิแล้วก็สอนสักษาและโค้ด้วยครับเออดีจะได้เผยแผ่ธรรมะไปไกลนะเดี๋ยวนี้คนสนใจกันมากนะดีทำอันนี่เป็นของวิเศษนะรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงตั้งใจมาหาพ่อหนั่งแล้วแต่ไม่เร็วแต่จริงผมอยู่พยานเองแล้วแม่เขาก็เป็นเคยอยู่กับพ่ออาจารย์ แต่ครับโยมแม่เขาที่สมปล่อยสปล่อยโยมพ่อเขา็อยู่กับพ่อเราเลยใช่อะไรที่อยู่ที่อยู่ที่หัวหัวมุมหัมุมตรงข้างกระดูสิอ่นั่นแหละต้นไม้นั่นก็ต้นให้บุกเบิกโยมประจานเกันเท้าแ่าแก่โซงอ พ่อและแม่หนูก็อยู่ที่นั่นนะฮะเป็นเป็นน้องทในนั่นทํากับข้าวมั่งเสริมมั่งแล้วพ่อปวดเฮ้ยทำไมเราจําไม่ได้จําเราได้ปะหนูหนูเล็กมากป้าจานอาจจะจํำมาพี่ชายหนูได้อะชื่อสารชื่อสารนี่สารเสริมเจลสุดคนที่ทําเลขกันเตรียมเที่เขาทางานที่ร้านชื่ออะไรพ่อเราเคยทํางานที่ร้านชื่อพ่อปวดนะพ่อปวดนะอ๋ออ๋อคือว่า ทวดมันมีลูกชายด้วยไม่ใชเหรอค่ะอ่าอ่าใช่มีลูกชายสองคนเนี่ยทวดสี่เลยแต่ตอนนั้นอ่าเขาเล็กๆยังไม่ยังไม่เกิดนะคะก็มีพี่สันกับพี่ี่เดอยู่ยังผมก็ตั้งใจมานานแล้วแต่โอกาสยังไม่ถึงวันนี้วันนี้ดีใจจะมีจะมีมี มีมีคุณหมอคุณหมออจา ร, รีอยู่อัมกรนะคะแน่นำให้ให้ให้หนูพาลูกสาวมาก็ยังไม่ได้พามาอ่อาก็ไม่เป็นไรมีเวลาก็มาครับแล้วให้เปิดเฟซบุ๊กอยู่ก็ได้ทุกวันบ่ายสองโมงก็มีถ่ายทอดสดอย่าดีใจที่ได้เจอกันพ่อเสียไปแล้วนช่ไหมเราหดเสียไปเสียมไมหมดนะ เพิ่งไปทําบุญประจําปีให้เมื่อไม่หยิวันเย่งะทั้งพ่อทั้งแม่เอดี๋ยวจะลองเล่าให้แม่ฟังดูเขาจาได้เปล่านาะน่าจะจําได้เพราะเป็นรุ่นบุกเบิกไงนะพอพวดแต่ไม่ต้องปล่อยพอต้งปล่อยนะแม่ต้องปล่อยเมื่อกี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังสมัยพัทยายุคแรกๆไฟฟ้าไม่มีสมัยนั้นไฟฟ้าต้องปั่นไฟเอเองงานก็ต้อง กดบ่อถ้าถนนถนนตรงหน้าดูสิมันจะมันจะลงไปหน้าแล้วมันเป็นพาน้ำไหลใช่ลึกลางสมัยนั้นเลยค่ะตรงนั้นมันจะมีวงเวลเล็กๆอันหนึ่งที่จะให้ออกเป็นหนูยังเล็กมากอันนั้นเราก็ประมาณสิบขวดแล้วสิบเอ็ดสิบสองขวดตอนที่มาอยู่พัทยาใหม่ๆก็ห้าสิบกว่าปีแล้วหสิบกาปี หายนั้นเงียบวันวันอย่างนี้รถแทจะไม่มีวิ่งเลยถ้ามีรถวิ่งนี้ต้องออกมาดูว่าใครวะวิ่งมาอ่ะดีลาบจู<ห> น, นะเมื่อก่อนที่ที่ชายละเลนี่ก็ขายไล่ละแสนเดียวยเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะ ไ, มรไม่รู้กี่ล้านเลยนี่ยไล่ ล, ละ ปิดทะเลก่อน50ล้านทำไ้ก่อนจำได้เขาแบ่งขายไร่ละล้านไอ้ไา่ละแสนเดียวฮะไม่มีเลยเป็นคนยากจนเป็นพ่อเขามารับเหมาก่อสร้างเขาก็มาสร้างบ้านทับต่างอากาศแล้วเขาก็เขาไม่เคยคิดจะซื้อที่ดินมันก็เลยไม่มี เขาได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปก็เลยก็แล้วแต่บุญทั้งบุญกรรมถ้าคนที่ไม่ชอบใช้งานก็ซื้อที่บ่า น, นี้ก็มีเยอะแย ะ, ะที่นะยิ่งถ้าเข้าไปลึกหน่อยนี่โอ๊ถูกเป็นหมื่นนี่นั่นเองติดทะเลนี่แค่แสนก็พออยู่แถวสายสองนี่เป็นไรมันหมดเลยทำไมนะันเป็นป่ามันเั่านั้นนะไม่มีใครอยากได้ถนะนก็เป็นลูกหลาน หมายนั้นขอบลึกเข้าไปไหนไม่มีใครเขอยากได้แล้วให้ฟรีๆเขาก็ไม่เอาใช่ออค่ะเพรารู้าจะไปทําอะไรแล้วการที่เราต้องมาอยู่ที่พัทยาเนี่ยเป็นเพราะเรามีบุญหรือเปล่าคะก็แล้วแต่ว่ามาทําบุญหรือมาทําบาป <c oughs> ถ้ามาทําบุญก็ก็บุญพามาถ้ามาทําบาปก็บาพามาถ้ามาไปไปเปิดบาร์เบียรี่ก็บาปพามา <c oughs> ถ้ามาแล้วมาเปิดโรงพยาบาลมาทําคลินิกนี่ก็บุญพาม า, มาออยู่ที่การกระทําของเราเนี่ยะถ้าเราทําบุญก็แสดงว่าบุญเก่าพาเรามาถ้าเรามาทําบาปก็บุญบาปเก่าพาเรามาจริง ๆ, ๆแล้วเป็นคนชายังเก่าค่ะทํ า, ง า, ทา ง, งานที่ระยองอมีอยู่แล้วก็มีลูชายทํา ง, งานที่ที่ทาเรือแหลมฉบงังค่ะอมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆก็ขับรถผ่านค่ะ ผ, ผ่านบ้านเนี้ยค่ะ ตั้งแต่ยังไม่ยังไม่เป็นบ้านเลยก็เลยชวนกันลงไปดูแล้วก็ตัดสินใจซื้อก็อเลยต้องย้ายมาทำงานที่ขนาดนี้มาช่วยราชการเนพะื่อมาได้ได้เดือนกว่ากนะ็เลยบอกโอ้สงสัยดวงเราต้องมาอยู่ที่พเทยาไม่ล่ะความอยากมันพาลงมะ <laughs> ความอยากหาที่ใหม่ที่เก่าไม่ดีก็อยากจะไปหาที่ใหม่ที่ดีกว่าอพอเห็นที่ไหนถูกใจก็เอา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 มาหยุดความอยากกันดีกว่า<อ>ที่มาถือศีลแปดมานั่งสมาธิก็เพื่อให้มาหยุดความอยากกันยุด <Okay. S 1> ความอยากแล้วก็สบายเนี่ยเรามาอยู่บนเขานี่นปีสามศูนย์เนี่ย <c oughs> ไม่ไย้ไปไหนเลย <c oughs> ถ้ามาอยู่อยู่กันได้เนี่ยบนเขาเนี่ยมีอะไรบ้าอยู่มาต้องยี่สิบเก้าปีแล้วเพราะมันไม่มีมันสบายมันไม่ต้องมีอะไรถ้าเรามีความอยากแล้วมันไม่ต้องมีอะไร อยู่เฉยก็มีความสุขเงมันกนะมันยากมันยากเว่าเราไม่ยอมทําำถ้าเราอยากจะทําทํามันไม่มีอะไรมันหยุดความอยากเราได้หรอกเราเอาความอยากที่ไม่ดีมาหันมาหาความอยากที่ดีอลยอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติอยากฟังเทศฟังธรรมอยากบวชเนี่ยเป็นความอยากที่ดีอย่าเอาความอยากเราไปใช้กับความอยากไม่ดีอยากเลิศอยากรวยอยาก ได้สิ่งนู้นสิ่งนี้อยากเป็นใหญ่เป็นโตมันจะทําให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราร้อนถ้าอยากบวชอยากปฏิบัติอยากรักษาสีเนี่ยมันจะทําให้ใจเราเย็นสบายมีความสุขั้นหันมาอยากในท่ในอยากในสิ่งที่ทําให้เราเย็นดีกว่าอย่าไปอยากในสิ่งที่ทําให้เราร้อนสิ่งที่ทําให้เราร้อนก็คือลาบยศสรรเสริญลูกเสียงกลิ่นรสเนี่ย พออยากละล้ใจร้อนขึ้นมาอยากจะได้เลื่อนขั้นได้ยังพอ <c oughs> อยากปั๊บนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขอะ <c oughs> แต่ไปอยากเอาแค่นี้พอแล้วหรอได้ตำแหน่งนี้ได้ซีนี้พอแล้วอย <c oughs> ่าไปอยากมากกวนี้ถ้ามันจะมาให้มันมาของมันเองไม่มาก็ช่าหัวมันไม่มาเราก็ไม่ตายตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีอย่าไปหลงกับมันเราทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เราไม่ได้ทํางานเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์พอมีเงินเดือนมีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแบบในหลวงสอนเศรษฐกิจพอเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่ต้องไปทําบาปทําการไม่ต้องไปทําผิดกฎหมายก็พอแล้วหาความสุขจากการมาไหว้พระส่วนมนตนนั่งสมาธิกันดีกว่าไม่ต้องเสียเงิน ม, มีคำถามทางบ้านไหมมีค่ะ <c oughs> ส่งก็ามาได้คำถามจากคุณสุวัฒนาถ้าเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลมากและทุกไปล่วงหน้าควรแก้ไขอย่างไรคะถ้าคิดไปล่วงหน้าก็คิดว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะหาย <c oughs> หายกังวลเราชอบลืม อ, อนาคตของเรากัน ถ้าเ ร, ารว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไปกังวลกับอะไรกังวลไปก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายถ้าคิดถึงอดีก็บอกมันผ่านไปแล้วย้อนกลับไปไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันคําถามจากคุณธรรมดาการกําหนดผู้รู้เพื่อดูจิตมีขั้นตอนอย่างไงบ้างครับเออเรากําหนดผู้รู้ไม่ได้หรอผู้รู้นี่เราเข้าไม่ถึง เราต้องใช้พุโทโธเป็นตัวดึงเข้าหาผู้รู้ให้กำหนดอยู่ที่พุโทโธให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพุโทโธจะเดินเข้าไปหาผู้รู้เองอันนี้ร่างร่างจิตของเรามันอยู่ที่ร ARA ่างกายไม่ได้อยู่ที่ผู้รู้เราต้องใช้พุโทโธดึงจิตให้กลับเข้าไปหาผู้รู้ดึงออกจากร ARA ่างกายถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธพอเรานั่งเฉยๆมันก็จะเข้าหาผู้รู้ทันทีจิตก็จะสงบทันที งอย่าอย่าไปดูผู้รู้ดูไม่เห็นมองไม่เห็นตอนนี้ต้องดูที่พุโทโธให้ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพุโทโธจะดึงเราเข้าหาผู้รู้เองคำถามจากคุณนาโนพระธรรมใดพระสูตรใดเหมาะกับผู้สูงอายุครับก็เหมือนกันนะ่ะแกหรือหนุ่มหรือสาวก็พระธรรมที่สําคัญก็สตินี่ต้องมีสติทุกคน ถ้ามีสติแล้วมันก็มันก็จะทำให้เราก้าวหน้าไปเองสตินี้เหมือนเหมือนกุญแจรถยนต์เนี่ยถ้าคุณจะขับรถคุณไม่มีกุญแจรถคุณไปขับได้ไหมต่อให้รถวิเศษขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนไม่มีกุญแจก็สตาร์ทรถไม่ติดเปิดประตูรถไม่ได้ใช่ไหมเอ า, ากุญแจหายทาไงถอดไปต่อม <laughs> าเปิดประตูไม่ได้ยังไปต่อไงอใช่ไหม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 ขนาดพุทโธอยู่ต่อเนื่องใจจับอยู่กับพุทโธพุทโธแต่มันเหมือนมีจิตอีกเสี่ยวหนึ่งมันทําให้เกิดภาพในความมืดค่ะก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวทุกอย่างมันหายไปเองถ้าไม่พุทโธไปดูมันมันก็เลยยิ่งเกิดขึ้นมาใหญ่อย่าไปสนใจอะไรมาโผล่ขึ้นมาเราอยู่กับพุทโธของเราไป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 คำถามจากคุณจินนี่เวลาจัดบ้านหรือว่าออกกําลังกายชอบที่จะฟังพระเทศเพราะรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าจัดบ้านไปคิดเรื่องอื่นไปอย่างนี้ถือว่าถูกต้องอหรือไม่คะหรือว่าควรจัดบ้านออกกําลังกายแล้วดูกายเคลื่อนไหวไปจะดีกว่าคะคือการฟังเทศฟังธรรมนี่ถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดก็ควรจะนั่งเฉยๆไม่ควรทําอะไรอย่างที่เรานั่งกันตอนนี้แหละ ถ้าเราทำนู่นทำนี่เราจะไปฟังได้เลยมันก็ฟังครึ่งหนึ่งทําครึ่งหนึ่งมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ต่อเนื่องเวลาเรียนหนังสือนี่ครูก็อนุญาตให้เราเปิดอะไรฟังได้ไหมก็ให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวใช่ไหมการฟังทำก็เป็นการเรียนเป็นการศึกษาเป็นการเข้าห้องเรียนั้นการฟังทำนี้ควรจะฟังเฉยๆนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กัน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 การฟังเทศฟังธรรมท่านถึงบอกว่าต้องฟังด้วยความเคารพ mm hmm. เหมือนกับเราฟังอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราต้องเคารพครูบาอาจารย์ mm hmm. เวลาท่านสอนเราต้องไม่คุยกันเราต้องไม่ทําอะไรเราต้องนั่งเฉยๆตั้งใจฟังเราถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ mm hmm. การฟังธรรมก็อย่างนั้นต้องนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จากันไม่คิดถึงเรื่องต่างๆแล้ว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 เอาไปทําประโยชน์ก็ได้ไปหั่นผักหันห่นเนืนน้ทำกลับกล้างกลับข้าวก็ได้หรือเอาไปทิ่มแทงคนนั้นคนนี้ก็ได้มันเป็นเครื่องมือมันอยู่อยู่ที่ว่าจะใช้ไปในทางไหนใช้ไปในทางที่ประโยชน์ก็เป็นประโยชน์อย่างแม่นี่ก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยสองเครื่องมาถ่ายทอดสดเนี่ยเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเอาไปคุยกับสีกายานี้มันก็ไม่เป็นประโยชน์มันเป็นกรามคำถามจากพระรูปหนึ่งปากถามนะคะร่างกายไม่เคยได้พักผ่อนแม้แต่นอนเลยทำงานตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนเดินนั่งสมาธกิกลางวันทำงานที่วัดตลอดบางวันลืมบิณฑบาตไม่รู้ข้ามว่าแจ้งหรือสว่าง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 ทำงานหนักๆได้เทพศัก์ในการแสดงธรรมลงเฟสนี่พิคิดว่าเขาคือผู้แสดงธรรมสิงทองผู้มีศักดิ์ศ์ในการเทศใช้เสียงนุ่มนวลดุเดันเทพอักษรคอยดูแลร่างกายอย่างดีเขาถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเออมาถามเราทาไมมันอยู่ในตัวคุณก็ถามมันเลยนะมันเป็นอย่างไงจะถามคนไหนเยอะไม่หมดเลยอ่ามันฟุ้งซ่านไงมันถึงเป็นอย่างนี้มันไม่สงบ ถ้ามันสงบมันก็ไม่มีของพวกนี้มันออกจากความฟุ้งซ่านของจิตเราเองแล้วพูดโทพูดโทไปสิทำใจให้สงบแล้วของพวกนี้มันก็หายไปเองพอไม่สงบมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนแต่งนิยายใช่ไคนเขียนนิยายคนเดียวนี่เขียนได้เป็นร้อยตอนร้อยเรื่องเลยใช่ก็มาจากความคิดของมันะคิดไปก็เขียนไปคิดไปก็เขียนไปเป็นเรื่องเป็นราวต่อกันไปเรื่อย ไอ้นี่ก็แบบเดียวกันนะกำลังเขียนนิยายในใจอยู่เนขะ้าใจไห ม, มถ้าพุโทโธพุโทโธปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปหมดนะพุโทโธเหมือนยางลบลบมันไปให้หมดนะนะไม่พุโทโธเลยมาบวชมานั่งผู้บวชแล้วไม่รู้จักคําว่าพุโทโธเลยโร ง, าาาา ง, งพยาบาลก็จะให้เข้าไปโรงพยาบาลบ้านนะั่นแหละเพราะมันไม่มีสติแล้วก็ยังไะ ควบคุมจิตใจไม่ได้แล้วต้องเรียกดึงสติกลับมา่ไมถามตั้งนาหนูบอกว่าเาจะลองถามไม่งั้นเดี๋ยวเป็นบ้าได้คุณควรถามให้ดีไหมเพราะว่าถามมานานหลือว่าถามไม่กี่ครั้งเรารีบดึงสติกลับมารีบสร้างสติพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรมันจะคิดก็อย่าไปเชื่อมันมันหลอกเราถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามต่อเนื่องได้ไหมคะได้ถ้ากรณีที่คนที่ชอบ ชอบฝันชอบละเมออย่างเงี้ยเนื่องจากจิตเขาไม่สงบเลยค่ะใช่ค่ะคำถามจากคุณสายหมอกการกําหนดพุทโธกําหนดที่ไหนครับก็บกำหดกำหนดที่พุทโธดีือไมกําหนดที่ไหนลนะ่ะก็พุทโธไปอยู่กับพุทโธไปท่อทงกบพุทโธไปไม่ต้องไปอยู่ที่ลมไม่ต้องไปอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ไหนอยู่ที่คําว่าพุทโธเนี่ยนละ่ะมันเป็นความคิด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 แต่อยากขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนําให้ละทิ้งความโกรธนี้ด้วยเจ้าค่ะก็ไม่ใช้พุทโธไงตอนต้นต้องใช้พุทโธก่อนหยุดมันก่อนอย่าไปคิดถึงมันไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยมันก็เป็เรื่องที่ทําให้เราโกรธตอนนี้เราโกรธไหมตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เราโกรธป่ะเพราเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธใช่ไหมถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธดี๋ยวมันก็โกรธได้ตอนนี้มันอยู่ที่ความคิดของเรา เรื่องเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปนานแล้วแต่เรายังสามารถเอามาฉายใหม่ได้เหมือนหนังเนี่ยเหมือนกันเราไปถ่ายถ่ายทอดสดมาแล้วมาเก็บไว้ในใจเราพอาวันดีคืนดีเราก็ดึงมันขึ้นมาดูเนี่ยถ้าเป็นเึืงถึงคนที่ก็ด่าเราเมื่อเชา้านี้ตอนนี้ยังโกรธได้ใช่ไหมยังเสียใจได้ใช่ไหมง<ม>ั้นมันอยู่ที่ความคิดของเราเราต้องหยุดความคิดแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปเอง คำถามจากคุณพนพิทักษการให้อภัยทานกับการให้ธรรมทานแตกต่างกันอย่างไรอันนี้สอแตกต่างกันอย่างไรครับการให้อภัยก็คือการไม่จองเวรกันมันการระงับเวรกันเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรถ้าตาต่อตาเดี๋ยวมันก็ฟันต่อฟันแล้วก็แขงต่อแขนแต่ถ้าเราไม่ตอบโต้เราให้อภัย เขาก็มันก็จบเฉั้นการให้อาภัยก็จะทำให้เกิดสันติสุขขึ้นมาสงครขามก็จะไม่เกิดสงครขามเกิดเพราะการไม่ให้อาภัยกันจองเวรจองกรรมกันอันนี้อันนี้สงจากการนะให้อาภายัยคือทำให้ใจเราสงบเราไม่มีเรื่องมีราวกับใครนะส่วนธรรมทานก็เป็นการให้ธรรมะเนี่ยให้แสงสว่างอย่างตอนนี้กำลังให้ธรรมทานอยู่เนี่ยคนฟังแล้วก็เกิด ความเข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆของใจ mm hmm. ก็เป็นเหมือนให้ยารักษาโรคใจธรรมะนี่เรียกว่าธรรมะโอสถเป็นยารักษาโรคใจถ้าตอนนี้ใจเครียดเอาพุโทโธไปเดียววก็หายเครียดตอนต้นเอาพุโทโธก่อนพุโทโธนี่เป็นเหมือนกับเวลาเลือดออกนี่ต้องหยุดเลือดก่อนหยุดเลือดแล้วค่อยไปหาต้นเหตุว่าทะไรทาให้เลือด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 เวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอเราไม่ได้เราดังใจเราก็โกรธใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าเราไม่อยากได้เราจะโกรธไ <Okay. S 1> ก็อย่าไปาอยากถ้าไม่อยากจะโกรธนะก็มีแค่นั้นแหละอันนั้นปัญญาในขั้นที่สองในขั้นแรกนี้หยุดความคิดให้ได้ก่อนคำถามจากคุณขวัญปาการปฏิบัติเดินจงกรมเห็นกายมันเดิน <S <S <S <S เห็นมันบริกรรมพุทโธในขณะเดียวกันมันไปรู้ตัวที่มันเห็นอย่างนี้ตัวที่มันเห็นคืออะไรคะไม่ถูกเลยอย่าไปเห็นอะไรนั้นให้เห็นอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวกาลังเดินก็ให้มันรู้ว่ามันกำลังเดินอยู่อย่างเดียวอย่าไปอย่าไปเห็นอย่างอื่นมันไปปรุงแต่งนะให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับเท้าที่เราเดินไปแล้วอยู่กับพุทโธไปไม่ต้องการให้มันไปเห็นอะไร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 ความว่างมันไม่สามารถจะปรากฏขึ้นมาได้ถ้ามีความคิดตรุงแต่งบังไว้พอมันหยุดความคิดตรุงแต่งมันก็ว่างเหมือนอยากจะให้ศาลานี้ว่างทำไงก็ต้องเอาคนออกไปหมดใช่ไหมถ้ายังมีคนอยู่ในศาลานี้ศาล า, า, ามันจะว่างได้ปะใจเราก็เหมือนศาลาความคิดของเราก็เหมือนคนที่นั่งอยู่ในศาลานี้ถ้าเราต้องการให้ใจเราว่างเราก็นาความคิดออกไปหยุดความคิดพอหยุดความคิดใจมันก็ว่างขึ้นมาเอง คำถามจากคุณนาโนพระโสดาบันเป็นคลาึกหัดอยู่เห็นหนุ่มหน้าตาหล่อแล้วเห็นสาวที่สวย ก, ก็ยังอยากจะได้มาเป็นแฟนเลยเพราะก็ยังไม่เห็นอสุภะยังไม่เห็นตับไตไส้พูงของคนคนสวยคนหล่อเห็นแต่รูปร่างหน้าตาไม่ได้มองเข้าไปข้างใต้ผิวหนัง ถ้ามองเขไปใต้ผิวหนังเห็นปอดเห็นไตเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้มันก็หายหล่อหายสวยนะ้ก็หายยากแลคําถามจากคุณแจ็คนั่งสมาธิแล้วมีเสียงจากภายนอกแม้จะเป็นเสียงเบาๆก็ตกใจจะแก้ไขอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโทไปตกใจแล้วก็พุทธโทต่อไปมันเป็นธรรมชาติของใจเราที่ชอบไปมีปฏิกิริยากับ ต่างๆแต่ถ้าเราอยู่กับพูโทโมันมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนเรารถวิ่งไปเจอหลุมพอมันผ่านหลุมไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่ต้องไปสนใจคำถามจากคุณสุภาพรถ้าบวชชีรักษาศีลแปดศีลห้าทำงานในวัดปลูกผักสวนครัวปลูกอ้อยปลูกมันเกี่ยวข้าวช่วยงานก่อสร้างได้หรือเปล่าเจ้าคะก็แล้วแต่ วัส่วนใหญ่เขาไม่มีงานเหล่านี้ทำํำเขาต้องการให้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันงานเหล่านี้ถ้าจําเป็นจริงๆไม่มีข้าวกินต้องปลูกเองเก็ปลูกได้ไม่มีผักก็ต้องปลูกงี้แต่ถ้ามีผักมีข้าวกินก็ไม่ต้องไปทำนั่นงานหลักของการบวชการถือศีนก็เพื่อมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้ทําใจให้สงบให้มีความสุข คำถามจากคุณหญิงพี่ที่ทํางานจะบวชพระเร็วๆนี้เราสามารถอนุโมทนาบุญและฝากต่อให้พี่เขาเลยจะได้บุญเท่ากับเมื่อพี่เขาบวชเป็นพระแล้วถึงนําไปถวายไหมคะเออ๋อได้เท่ากันเนี่ยถวายเมื่อไหร่ถวายที่อื่นก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องงานบวชก็ได้ อ, อ, อยากจะให้เงินใครให้ไปเลยก็ได้บุญทันทีไม่ต้องให้กับพระก็ได้ ให้กับคนที่เราไม่รู้จักเห็นขอทานก็ให้มันไปเลยก็ได้มันก็ได้บุญเหมือนกันคําถามจากคุณเนตตี้ทําสมาธิโดยใช้วิธีจับภาพพระพุทธรูปได้ไหมคะรู้สึกชอบไดต้ต้องอยู่กับภาพอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรให้ให้เพ่งภาพแล้วก็ค่อให้เห็นภาพนั้นโดยวิธีหลับตานะ mm hmm. เพ่งด้วยการลืมตาไม่ได้ต้องต้องหลับตาต้องให้ภาพมันปรากฏขึ้นมาข้างใน ตอนต้นถ้ายังไม่ปรากฏกด็ดูภาพข้างนอกก่อนได้ดูเพื่อให้จดจาว่าเป็นยังไงแล้วก็ดับตาแล้วก็นึกถึงภาพนั้นให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเราแล้วก็เกาะติดอยู่กับภาพนั้นไปจิตก็จะสงบได้จะ ต, ต้องใช้สติมากคนที่จะเพ่งภาพนี้ต้องมีกำลังมากถ้าไม่มีกำลังมันไมน่มันเพ่งไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธจะง่ายกว่าพุทโธแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไป ถามจากคุณวรินการนั่งสมาธิแล้วเกิดเบทนาจนพุทโธไม่ไหวแล้วจะทําอย่างไรเพื่อลั ง, งกับพุทโธต่อไปไม่ไหวก็ต้องพุทโธต่อไปแล้วถ้าไม่ไม่พุทโธมันก็ไม่ผ่านถ้าพุทโธได้ต่อไปเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ไม่ไม่รู้สึกรบกวนไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายถ้าอยากจะผ่านก็ต้องพุทโธไปให้ได้ให้มันขาดใจไปกับพุทโธเลย คำถามจากคุณสิริเพนหากเรารู้ว่าเบื่อไม่ชอบชีวิตคู่แต่มีลูกชายหนึ่งคนแล้วควรจะต้องพิจารณาไปทางใดคะก็ยกให้กับแฟนเข้าไปเลยหรืมันก็ไปให้กับสถานเด็กเลี้ยงเด็กกำพ้าก็ไดแ้แล้วเด็กหรอคะอน<ะ>าคตของเด็กจิตใจของเด็กห่อเด็กกำพ้าเขาอยู่กันได้ไม่ใช่ยอ <c> เราจะเป็นบาปหรือเปล่าคะบาป<า>ตรงไห น, เ, นเราไม่ได้ไปฆ่าของไม่ได้ไปทําอะไรเขาไ้บาปตรงไหนเราไม่มีปัญญาเลี้ยงเขาเราก็ใช่คนอื่นช่วยเลี้ยงให้นี้ไม่ดีคนอื่นเขาเลี้ยงดีกว่าเราเลี้ยงสิเด็ก อ, <ข>อยู่สถานกับเด็กกำพ้าจะมีวินยัยมีระเบียบถ้าเราเลี้ยงเราอาจจะปล่อยประลาเลยไม่มีเวลามามาดูมันมูวแต่ไปทํางานทําการปล่อยให้เด็กอยู่ตามมีตามกรรม เดี๋ยวก็ไปติดยาเสรติดขึ้นมาก็ได้ไปอยู่สถานเด็กกำพ ร, ร้าเขามีวินยัยเขามีระเบียบเด็กก็รู้จักมีก ฎ, ม, กฎมีระเบียบอะไรั้นเด็กกำพ ร, ร้ามันไม่มันไม่เบวร้ายนะมันดีจะตายไหมบางทีดีกว่ที่เราเลี้ยงของเราเองซะอีกคำถามจากคุณนาโนไตรักมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ ปฏิจจสมุทปาบาทยังไงครับ อ, อ๋อตายรักนี่มันเป็นปัญญาไว้สำหรับตัดความอยากไงความอยากนี่มันเป็นที่เป็นตัวที่อยู่ในปฏิจจสมุทบาทที่ทําให้เราไปเกิดกันไปเกิดแก่เจ็บตายกั น, กนถ้าเราเห็นตายรักเราก็จะไม่ไปอยากพอเราไม่อยากเราก็ไม่ไปเกิดคาถามจากช่างฝักดิ์ทบุญด้วยเงินกับพระไม่ผิดหรอครับ ก็ไม่ผิดหรอกถ้าไม่ได้ให้กับพระหรือตรงฝากไว้กับคนอื่นให้ลูกศิษย์จิบไม่ให้เวลาพระต้องการใช้เท้าของใช้ใช้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาให้แต่ถ้าให้ให้พระกับมือนี่ผิดพระรับกับมือไม่ไดแ้แล้วคำถามอย่างนี้ถือว่าคนถามมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระหรือเปล่าคะก็เรื่องของเขาเอ่าไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ตอบก็ตอบไป ก็ยังมีทัศนคติไงก็เรื่องของเข า, าเรามีหน้าที่ให้ความกระจ่างก็<า>เกาบางทีเข า, เขาไม่เข้าใจก็เลยทำให้เขามีทัศนคติไม่ดีพอเราให้เ้าความกระจ่างเขาทัศนคติไม่ดีก็เปลี่ยนไปได <fore> ้เรามีหน้าที่ให้ข้อมูลก็ให้ไปตามความเป็นจริงคาถามจากคุณการ ผู้มีญาณสมาธิขั้นสูงสามารถอย่างรู้อนาคตได้จริงหรือไม่ครับไม่ต้องมีญาณก็อย่างได้ทุกคนนี้เกิดมาตายด้วยกันทุกคนใช่ไหมตายแล้ว บ, บางคนอ่ะว่าจะไม่ตายไม่จริงหรือเปล่า <c oughs> อ่าอ่ต้องตายอ่าต้องตายไม่ต้องมีญาณอนาคตนี้ชัดเจนอยู่แล้วมไม่ต้องไปอยางให้มันเสียเวลาให้คิดบ่อยๆมันชอบลืมกันเนี่ย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 จะไปอยากไม่ตายได้ยางไงอพอมันหยุดความอยากไม่ตายได้มันก็หายทุกข์งั้นต้องคิดบ่อยๆแล้วมันจะหายทุกข์คิดใหมยๆมันอาจจะทุกข์เพราะว่าเราไม่ชอบแต่ถ้าคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะทำใจได้คำถามจากคุณอรวัน การกำหนดพุทโธจะเร็วหรือจะช้าก็ได้ใช่ไหมคะเพราะถ้ากำหนดช้าจะคอยคิดไปเรื่องอื่นเป็นพักๆค่ะได้แล้วจาเร็วอยู่ที่ว่าใจเราวุ่นวายมากวุ่นวายน้อยคำถามจากคุณโมลาแม่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันแต่โกรธเกลียดคนข้างบ้านจะบอกแม่ให้ปรองยังไงดีเจ้าคะอนนก็สอนแม่ว่าคน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 รับกรรมของเขาไปเองอเราก็จะได้เฉยๆได้คำถามจากคุณนาโนการให้ทานจาคะเพื่อลักกิเลสความตาหนีวางจิตยอย่างไรครับก็คิดว่ามันไม่ใช่ของเราเงินทองที่เรามีอยู่นี่มันไม่ใช่ของเราเราเอาตายไปเอาไปได้ไหรือเปล่าไม่ได้นั่นเมื่อไม่ใช่ของเราก็ใช้มันให้แหลกไปเลยยังไทถ้าเป็นเงินของคนอื่นเข้าให้เรามาเราเก็บไว้ไ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 ถามจากคุณปอมก่อนนอนสวดมนต์แค่阿拉หังสัมมาได้หรือเปล่าคะจะสวยก็ได้ไม่สวดก็ได้ไม่มีใครเขาว่างอยากจะสวดก็สวดไม่อยากจะสวดก็ไม่ต้องสวดแต่จะสวดเพื่อขอเป็นพิธีขอไปทีก็อย่าไปสวดมันดีกว่าเขาสวดนี่เพื่อให้มันสงบให้ใจสบายมีความสุขถ้าสวดเพื่อขอขอเป็นพิธีขอไปทีก็อย่าไปสวดมันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไร ว่าแล้วเออดีมีใครอยากจะถามอยู่ไหมนี่ผมข อ, อกับคือว่าโดยปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเวลาพระออกกินฉบะเนี่ยถ้าเราใส่อาหารเนี่ยพระจะให้พรเราอ่ะอันเนี้ยตามประเพณีแล้วมีไหมไม่มีหรอกสมยัยสมัยกูบาจางนั่นนําปฏิบัติมันไม่มีเวลาจะมาให้พรอนะ่ะเพราะว่า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 มันเป็นคำพูดเท่านั้นเองอย่างสมัยนี้มั น, ม, นมันเพี้ยนไปนหมดละพระก็ไม่รู้เรื่องมาบวชไม่กี่วันก็ให้พรกอ็ละผมผมเคยเคยเคยใส่บาตรแล้วผมก็บอกพอะนะฮะว่าไม่ต้องให้พรพรกเขาก็เ<อ>ขา บ, <อ>บอกว่าเอ๊ะมันเป็นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเขาเกิเลยกลับไปถามท่านอาจารย์ที่วัดวันรุ่งขึ้นเขามาผมออกผมเขา้าใจแล้วนั่นแหละ แต่มาี่บวชแล้ไม่ได้เรียนกันไงพอาบวชป้าเ้าก็ปล่อยให้อยู่ตามก็เลยพอญาติโยงขอพรก็ต้องให้พรก็เลยคิดว่าต้องให้พรกันไปญาติโยงก็ไม่รู้บางคนสายบาตแล้วถ the like ้าไม่ได <ikh> ้พรถ้าไม่ให้พรเนี่ยไม่ได้พรก็ไม่ยอมมันก็เลยมันก็เลยก็เรียกว่าโง่กับโง่เจอกัาน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 ก็ไม่ได้ให้พรไงแ้แ่คือเราก็คิดในใจอ น, นะฮะแค่นั้นเองแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าทําไมไม่ให้พร น, <c oughs> นั่นแหละนี่แหละเพรมั น, น, นคนหนึ่งมันลิธรรขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมขึ้นมาครเลอ เ, เลยต้องทํากันถ้าไม่ทําก็ผิดเอแต่ถ้าคนรู้ก็ปฏิเสธก็ได้เราเคยบวชมาแล้วเรารู้ว่าไม่ต้องให้พรเราอย่างเราเินเบัตวันนี้คนใส่บาตรเกือบสองร้อยคนนี้ ถ้าให้พรสองร้อยคนนี่เมื่อไหร่มันจะกลับถึงวันเพนไม่รู้จะถึงวันหรือเปล่าใช่ไหมไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องให้หรอกเพราะพรมันคือผลที่เกิดจากการทำความดีของเราเนี่ยความสุขความเจริญเนี่ยการฟังเทศฟังธรรมมันมีประโยชน์เนี่ยมันจะได้รู้ว่าทำอะไรถูกทำอะไรไม่ถูกกันบ า, บ, าบางครั้งนะฮะ อ, อันนี้ผมเห็นนะฮะบันบางครั้งเนี่ย ผกจะใส่ข้าวในบาทเนี่ยไม่มีข้าวเลยมีแต่ตังเต็มบาทเนี่ยได้ในเงี้ยก็สมัยนี้เขาวาหาเงินกันไงก็แล้วแต่แล้วบางทีญาติโยมก็สะดวกเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปทํากับข้าวหรือไปซื้อกับข้าวเห็นผ้าตรงไหนก็ฟักกระเปาใส่ไปเลยตามหลักพวินัยเงินในนั้นต้องสลระไปหมดเลยเก็บไว้ไม่ได้เป็นของตัวเองไม่ได้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 ก็มีทางเดียวก็ต้องบอกโยมว่ขาข้าน่าอย่าไปฝากลูกศิษย์คนนี้ไว้ก็แล้วกันเพราะมันเอาไปกินหมดเอาไปใช้หมดพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระถือครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นของของตนเองเงินทางที่ได้มาทุกบาทนี่ไม่ถือว่าเป็นของตนเองเป็นของญาติโยมฝากไว้ให้ใช้เวลาที่เกิดความจําเป็นขึ้นมาหรือเอาไปทําประโยชน์เอาไปทําบุญไปทําอะไรต่อได้แต่ไม่ให้เป็นถือว่าเป็นของตน ถ้าหายไปก็ถือว่าเป็นเงินของโยมหายไปไม่ใช่เงินของพระหายไปจะได้ไม่เสียใจจะไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยห่วงว่าไอ้เงินของเราอยู่เยออยู่หรือเปล่าไม่อยู่หรือเปล่าให้คิดว่าเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้ฝากกับลูกศิษย์ไว้แล้วก็หาลูกศิษย์ที่พอจะไว้ใจได้ลูกศิษย์ที่ไว้ใจที่ดีที่สุดก็คือธนาคารเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มันไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกก็เลยต้องเอาไปไว้ในธนาคารเนี่ย ธนาคารนี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ได้เหมือนกันเป็นที่เก็บเงินให้เวลาต้องการก็ไปเขียนเบิกใบเบิกได้เขาก็เอามาให้ได้แต่ไม่ให้ครอบครองเพราะมันเป็นอันตรายเพราะพระต้องอยู่ที่เปียวในป่ายเงี้ยถ้าเกิดมีเงินแสนอยู่ในบาทนี่เดี๋ยวก็พวกติดยาเสพติดมันก็มาโป้นมาเจี๋ยวนั่นได้ข่าวนี่มีพระทุดดงเมองลูกไปทุดดงอยู่แถวพัทยาเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนก็พวกติดยาเสพติดมันก็มา มามาป้นมาจี้กันแต่ถ้ามันร่วมภาพไม่มีกันมันก็ไม่มาเอาล้นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิชเปชฌนาะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจเริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอั้น